เพราะความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโบธยญาณกำลังนำเสนอก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้สัสรู้องกรได้พูดถึงพญามานที่ชื่อว่าวัตสวัตตีหรือว่าวัตสวัตติมานซึ่งเป็นเจ้าของมานอยู่สวรรค์ชั้นประยิมิตรวัตสวัตตี ปริมาพระจนพระพุทธเจ้ายกก็ะต่อสู้กันในสุดพระพุทธเจ้าก็ประสบชัยชนะแต่ก็มีประเด็นหนึ่งที่เราไม่ค่อยนำมาพูดกันเท่าไหร่ก็คือเซนามานว่าเซนามา น, นั้นที่จริงแล้วก็คือผวกกลุ่มของโล ก, กวัตถุทั้งหลายพูดง่ายๆว่ากลุ่มสมุทัยกับกลุ่มของทุกข์สัตว์ ถ้าเรามองจากสายอริยสัจแล้วก็จะจับประเด็นได้นะฮะว่าทั้งสองกลุ่มนี้ที่จริงก็คือเซนามารในพระบาลีพระสูตรมหาวิยาหาสูตรสุตานิเทศคุตกรนิกายก็มีการจำแนกเอาไว้ก็รวมแล้วก็เป็นสิบประเภทด้วยกัน ทั้งหมดก็สรุปรุมว่าเป็นกิเลสสมานแต่วันนี้เนี่ยเนื้อหาสาระจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นปัจจัยของกันเด็กันคือเชื่อมโยงยึดโยงกันอยู่สีนี้เกิดสิ่งนี้เกิด ส, ส, ส, ส, สิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดก็ทยอยกันไปในสายของเขาอให้ลองสังเกตว่ากิเลสกับพวกสังขารทั้งหลายเนี่ยพวก สภาวะธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยก็จะเกิดร่วมกันที่จริงกระบวนการของธรรมชาติเหล่านั้นเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นอะแต่เนื่องจากกิเลสมันถูกนำโดวยวิชาเ ม, มื่อกําหนดท่าทีการมองโล ก, กวัตถุเหล่านั้นวิปลาสคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงแล้วในที่สุดก็เรื่องไม่น่าจะเป็นปัญหามันก็กลายเป็นปัญหา ที่ความคิดบางอย่างมันแรงท่านก็เรียกว่าวิปลาชคือมันคลาดเคลื่อนไปมากวิปลาชไปมากแล้วก็โอกาสที่จะบ้าเนี่ยมันมีได้หมดและลองสังเกตว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเรากำหนดความสวยงามแล้วก็กาหนดรูปว่าสวยงามสมมติเรากำหนดคนสักคนหนึ่งว่าสวยงามแล้วตางคนดังก็กำหนดตางคนดังก็กำหนด ในสุดไอความกระสันอยากเนี่ยเพื่อจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของจะครอบครองไว้เพียงผูด้เดียวคนอื่นจะแตะต้องไม่ได้จะมองก็ไม่ได้จะจับต้องก็ไม่ได้จะดูก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลยนะคไปถึงจุดหนึ่งก็จะไม่ยอมกันแล้วในก็จะกลายเป็นความโกรธความโกรธซึ่งถ้ารุนแรงมากเนี่ยบุคคลนั้น อาจจะถูกทำลายก็ได้ทำนองเด็กที่แย่งตุ๊กตากันรู้ใจว่าตุ๊กตาก็คือตุกก๊กตาแต่ว่าตุกาก๊กตามันเป็นวัตถุการสมสำหรับเด็กเรารู้ว่ามันก็คือตุกก๊กตาตันเหลงคืสิ่งที่ทําขึ้นมาในเมื่อเด็กแกมองว่าเป็นวัตถุกรมเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจสำหรับเธอนี่เธอก็อยากได้แล้วเมื่คอคนณดึงก็อยากได้คนณน้องก็อยากได้อยากได้ตุกก๊กตามีตัวเดียว ในสุดต่างฝ่ายต่างก็จะไม่ยอมพอไม่ยอมก็จะตัดสินวิธียื้อแย้งพอยื้อแย้งเนี่ยมันไม่ใช่ก็แล้วแต่ความรู้สึกนะโลภจัดหรือว่ากลายเป็นโกรธจัดไปแต่ทั้งหมดเนี่โง่ด้วยกันนะฮะคือทั้งโลภทั้งโกรธมันก็มาจากหลงด้วยกันเพราะบางครั้งการแย่งตุ๊กตาเราจึงเห็นว่าตุ๊กตาถูกยื้อแย้งจนขาดฉีขาดหมดไลย นั้นแสดงว่าเป็นโลภะที่ไม่ยอมให้ใครได้เมื่อฉันครอบครองไม่ได้เธอก็ครอบครองไม่ได้แล้วต้องไม่มีใครได้ครอบครองด้วยจึงจะสาใจสมรับคนที่ยื้อแย่งต่อสู้กันอย่าง น, น้แต่ในบางครั้งเนี่ยมันมีความรู้สึกทนุถนอมหวงห่ว ง, วงทุกตาตัวนั้นมันก็เกิดโทสะในคนที่มาแย่ง เลยก็ชกต่อกันก่อนก็ตบตบีกันก่อนตัวอย่างที่เราดูได้ชัดเจนเนี่ยเช่นเรื่องราวมันเกียนก็ดีเรื่องขุนช้างขุนแผนก็ดีหรือม่าเรื่องพระภัยมณีก็ดีภาพเหล่านี้ชัดเจนว่านางศรีดานั้นเป็นวัตถุกรรมของทศกัณฐ์กับของพระรามต่างควายต่างธนุธนหอม เราจะลองสังเกตว่านางสีดานั้นไม่ถูกนํามาเป็นเครื่องมือในการดิ้แย่งกันคืออยู่ต่างหนึง่งอย่างอีกอีกแขงหนึ่งต่างหากตอนสีดาตอนเท้าตอนทศกัณฐมาจับไปคราวนั้นเท่านั้นเองแล้วจากบัดนั้นจนถึงสู้รถดงตายกันไปเกลื่อนเนี่ยนางสีดาก็อยู่อีกแขงหนึ่ง คนสองคนนั้นต่อสู้กันด้วยความโกรธที่มาแย่งคนซึ่งรักแต่คนที่ตัวเองรักนั้นไม่ยอมให้ใครไปแตะต้องแล่าสุดพวกยักษ์กับพวกลิเพากมนุษย์กรบกันอุตรุดไปหมดเลยเจบลงด้วยการฝ่ายหนึ่งตายฝ่ายหนึ่งได้นะนางศีดาไม่ได้บุกสลายแต่ว่าผู้ทศกัณ์เน่พังทลายไปเลย ปกาลกพระรามก็ตายกันเกลื่อนในสุดก็ได้ครอบครอรงตัวแนวของขุนช้างขุนแผนก็มีลักษณะอย่างนั้นคือนางพิมพ์นั้นไม่ได้ถูกทาําง่ายทศเอกขุนช้างก็ทนุถนอมขุนแผนก็ทนุถนอมเพียงแต่ว่าในช่วงหลังพระพันวษาเห็นว่านางพิมพ์มีปัญหามากวันทองมีปัญหามาก ในสุดก็ถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิตหรือใเรื่องราวมื่เกี้ไอ้เรื่องเรื่องพระภัยมณีก็เหมือนกันคือพระภัยมณีนั้นเป็นวัตถุกรรมของนางเวงบรรลาและกนางสวนมณีมันถึงจุดหนึ่งก็คือยอมกันไม่ได้และในสุดก็รบ ก, กันแ ล, ลองสังเกตนะครับว่าพระภัยมณีไม่ได้ถูกทําลายเพราะว่าต่างคนต่างหวงห่วง ในขณะเดียวกันก็ต้องทำลายคนที่จะมายื้อแย่งเพื่อต้องการจะครอบครองสิ่งที่ตัวเองปรารถนาครอบครองไว้โดยลาพันแต่ก็เกิดสุดสงครามก็รบ ก, กันอุตลุดอย่างที่เรารู้กันอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นอาการของสิ่งที่แย่ยงเนี่ยฮะตัวนางสีดาก็ดีตัวนางพิมพ์ก็ดีแล้วก็ตัว พระภัมณีก็ดีนั้นเป็นตัววัตถุกรมของอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาไปยื้อแย่งต่อสู้กันเพราะวัตถุกรรมทั้งหลายก็คือรูปารมณ์ไม่ใช่คือคืออารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะคือจริงที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิมด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายเนี่ยทั้งหมดเขาเรียกวัตถุกรมวัตถุกรรมจึงเป็นเซนามาณแต่ว่าตัววัตถุกรรมโดยสถานภาพเนี่ยสถานภาพของวัตถุกรรมเราเห็นว่า มันก็เป็นทุกข์ขันเป็นทุกข์สัตว์เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโดยเงื่อนไขของมันเองเงื่อนไขในความเป็นธรรมชาติเหล่านั้นแต่มนุษย์ไปสัมผัสโดยการสับสนในด้านความคิดคือไปกำหนดว่าสิ่งเหล่านั้นสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ แล้วก็ไม่ใช่หยุดตรง น, น, นั้นนะนะเราลองสังเกตว่าอะไรก็ตามที่เรารักธนุธนอมเนะี่ยเราไม่ต้องการให้ทุกมาแผ่ผ่านสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าความทุกเกิดขึ้นแก่คนแก่สัตว์ที่เรารักแพร่ปรารถนาปอใจเราจะทุกมากกว่าจะเดือดร้อนมากกว่าจะดิ้นรนควนควายไปนัานมาเพื่อไปจัดบำบัดทุกออกไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราไม่อยากให้เปลี่ยนมันแก่ไปมันพิกลพิการไปหรือถูกทำลายไปเราจะโกรธผู้ทำลายเราจะเสียดายสิ่งเหล่านั้นเพราะเราเพราะเราไปคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสวยงามที่ยั่งยืนถาวรไม่แปรผันพอมันเกิดแปรผันขึ้นมาเราก็ทำใจไม่ได้เวาเเกิดโศก ที่พระเจ้าทรงสแสดงนะโสเกฮิเปเดเวหิโดเกโดวานาเหิเปนต้นเนี่ยนะนั้นพวกนี้เกิด ก, ก็เป็นบ่วงของมารไม่ใช่เป็นเป็นม า, าเสนาหรือเสนาของมารแต่บางครั้งก็เรียกว่าบ่ว ง, งมารนะบางครั้งก็เรียกว่าเครื่องผูกของมารบางครั้งก็เรียกว่าเครื่องร้อยรัดอะไรก็แล้วแต่ก็เรียกแล้วเนี่ยการหนักทั้นั้นเนี่ยเวลาเรียก ทีนี้บางครั้งบางคราวเนี่ยพอครอบครองแล้วก็ต้องการเป็นอย่างนั้นต้องการเป็นอย่างนี้ต้องการให้เป็นอย่างรุนแรงต้องการให้เป็นอย่างอื่นนะพอแกเป็นอย่างที่แกเป็นพอแกเป็นสักขารเนี่ยแกก็ต้องเป็นอย่างที่แกเป็นแกเป็นไปตามเหตุปัจจัยของแกเรารับไม่ได้รับไม่ได้เราเอิดทุกข์ในสุดสิ่งเหล่าเนี้ยมันก็กลายเป็นปัญหา ล้างผ่านเป็นอุปสรรคเป็นอันตรายแก่จิตใจของบุคคลที่ถึงรุนแรงบางทีฆ่าตัวตายบางทีทำลายตัวเองบางทีกินยาพิษบางทีกระโดดตึกอะไรแต่อะไรเนี่ยเวลาเราศึกษากระบวนการความคิดแล้วมันไม่มีอะไรมันเริ่มจากมองสิ่งผิดมาตั้งแต่ต้นสำรวจในศาสนาถ้าเรียกว่าวิปลาสคือมันมองผิดจำผิดคิดผิดเห็นผิดมีความเข้มข้น ข, นขึ้นไปโดย ล, ลํลาดับทายเคลื่อนหมด ควาจริงเป็นอย่างหนึ่งแล้วเราก็มองเห็นอย่างหนึ่งเราเห็นอีกอย่างหนึ่งยึดติดอีกอย่างหนึ่งเลยก็กลายเป็นปัญหาพวกนี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นเสนามมนคือเป็นผู้ที่ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้มานปฏิบัติภาระหน้าที่ของเขาคือช่วยช่วยงานช่วยมานปฏิบัติภาระหน้าที่ แล้วก็เป็นไปาตามที่ตัวต้องการพราะฉะนพวกวัตถุกรรมทั้งหลายพว ก, กล أ, พวกวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยมันก็กลายเป็นตัวตัวยึดมัน่นนะตัวที่เราไปยึดมัน่นถึงมันแต่ว่าถามว่าอะไรเป็นเหตุให้เรายึดมัน่นถึงมันก็ตอบได้ว่าเกิดขึ้นมาจากพวกกิเลสการ หมายความกิเลสที่ไปกำหนดเอาไว้ภายในใจนะฮะอย่างทศ ก, กัณฐ์บอกว่านางสีดาสวยพระรามก็บอกว่าสวยพระรามบอกเป็นชายาของเราทศ ก, กัณฐ์ก็ต้องการจะได้เป็นชายาของตนเองไอ้กิเลส ก, การมตัวนี้มันไปนกำหนดค่าของนางสีดาคือสวยไม่สวยนี่สองคนนั้นก็รู้สึกประสวยแล้ว แล้วคนอื่นบางทีก็ถูกกระแสะกระแสะทางอารมณ์กระแสะทางสื่อนี่พัดผ่านไปกอเกิดปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาว่าสวยเขาด้วยคือบางทีในความสวยนี่มันไม่มีมันเป็นมายานะมันเหมือนกับพวก ก, กุ้กปรกเทศวีนัทนี่สวยเตติดาวีนัทนี่สวยเราก็ดูยังไงก็ไม่เห็นมันสวยอะไรโมนาลิซานี่สวย แล้วก็ดูแลก็ไม่สวยอะไรอ่ะแต่ว่าคนพอได้ตะนาวปาทานแล้วเนี่ยเขาก็จะไปยึดติดตาวเพราสิ่งเหล่านั้นสวยงามนั้นก็คือกิเลสกามกิเลสเป็นเหตุใคร่นะฮะเราอาจจะพวกอะไรหลักพวกโลภะพวกรติพวกยินดีพวกฉันทะพวกพอใจนะฮะพวกตันหาพวกราคะพวกเนี้ยทั้งหมดมันดึงคนเข้าไปสู่ปัญหาอันเนกันนั้น ความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างในเรื่องบรรณาดีสามเรื่องเนี่ยลองนึกดูว่ารามเกียร์ก็หนึ่งหญิงสองชายพระภัยมณีก็หนึ่งชายสองหญิงขุนช้างขุนแผนก็หนึ่งหญิงสองชายแต่ว่าดึงปัญหาลามปามจนเป็นปัญหาระดับชาติเป็นปัญหาระดับภูมิภาคอย่างเรื่องรามเกียร์เนี่ยเป็นปัญหาระดับภูมิภาค เพราะมันเป็นการรบกันระหว่างชมพูทวีปกับลังกาแล้วรบกันระดับภูมิภาคนะหรือเรื่องพระพรยมณีนะฮะตามมนาคีดีเนี่ยมันก็เป็นสงครามระดับภูมิภาคแนละ้วเรื่องไม่เป็นเรื่องนะฮะมันก็กลายไปเป็นเรื่องขึ้นมาได้เพราะว่ากิเลสย้อมใจคนพวกเหล่านี้ มันพร้อมจะเป็นโลภะพร้อมจะเป็นโทสะนะแล้วก็พร้อมที่จะเพิ่มโมหะขึ้นมาตัวนี้ท่านจึงจัดว่าเป็นเสนามานก็ถ้าพูดจริงๆก็คือกิเลสมานนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นเสมาของตัวพยายามานหรือวัสวัตติมานเนี่ย ทำใจคนให้เกิดกำหนดอารมณ์ด้วยความใคร่ความปรารถนาความยิน ด, ดีจนกำหนดว่ารูปนี้สวยเสียงนี้ไปร้อกลิ่นนี้หอมรสเนี้อร่อยสัมผัสน่าจับต้องความใคร่ความปรารถนาความต้องการที่จะถือครองครอบครองจะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของจะบริโภคใช้สอยมากก็บังเกิดขึ้นติดตามมาพอยับยั้งไม่อยู่หรือบรรเทาไว้ไม่ได้ มันก็พร้อมที่จะออกมาในรูปของการต่อสู้ห้ำหั่นประหานประหารกันลักษณะคำพูดที่รุนแรงต่งตางๆที่ปรากฏในสังคมใครยอมฆ่าอยู่ใครขวางฆ่าตายเนี่ยลองสังเกตว่าจริงๆเนี่มันเกิดจากความต้องการวัตถุการมของกิเลสการมโดยต้องการได้อย่างเดียวนะคือไม่ได้ไม่ยอมเพราะถ้าใครไปขัดขวางนิดรอนแตดรอนแกก็เสี่ยงละ คำพูดมันก็ออกมาแรงว่าใครยอมใครอยู่ใครความกานได้บางครั้งบางคราวก็ตะลุมบอลกันเป็นการใหญ่เพราะขัดแย้งผลประโยชน์กันแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้ไปชั่งน้ำหนักอะไรต่ออะไรนะสิ่งที่เราต่อสู้ยื้อแย่งกันกับสิ่งที่เราสูญเสียในรายได้มากได้น้อยกว่ากันมันไม่ได้คิดแบบสินค้าสินค้าก็ที่จริงคิดด้วยกิเลสการมเยอะนะ แต่การซื้อถูกขายแพงต่างๆการป้อมปนจึงค่าต่างๆในี่จริงก็คิดด้วยกิเลสการมันก็มีลักษณะอย่างหนึ่งที่เราคุนคุนผลประโยชน์ขัดกันก็บันลัยตายจะได้ขั้งหนึ่งจริงจะดีไม่แต่คำหนึ่งบัพ บ, บุญคุณโทษอะไรนะฮะวิธีการเหล่านี้เราเห็นชัดว่าจากเมืองนอกพวกความคิดแบบพรังเนี่ยคือเขาจะไม่สานึกเพราะเขามีวิธีคิด มีวิธีคิดของเขาซึ่งถือว่าน่ากลัวนะฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นความคิดที่น่ากลัวคือความคิดแบบเทวนิยมเนี่ยมันคิดแบ่งแยกเป็นพื้นฐานมาตั้งแต่ตน้นพาโลกเอาเป็นสองกลุ่มแล้วก็ขัดแย้งกันในความคิดเนี่ยถือว่าโลกนี้พระผู้เป็นเจ้าเขาเป็นคนสร้างมาแล้วก็สรรพสิง่งสรรพสัตว์ทุกอย่างในโลกเนี่ยเป็นเจ้าสร้าง แต่ทำไปทำมามันก็มีคนดีคนชั่วอ่ะคนดีเฉพาะพระเจ้าสร้างรับพิโสเฉพาะคนดีคนไม่ดีใครสร้างสร้างก็เป็นซาตานซาตานปั๊บมันก็ขัดแย้งกันก่ไหนว่าพระเจ้าคุณสร้างไงถ้าพระเจ้าไปสร้างคนไม่ดีแต่ถ้าซาตานไปสร้างคนไม่ดีก็แสดงพระเจ้าไม่ได้สร้างทุกสิ่งมันมีคนหนึ่งซึ่งเป็นซาตานเป็นผู้สร้างด้วยแต่แกก็กมั่วกันเองไงนะ ทีนี้ในที่สุดเมื่อท่านคิดแยกได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยก็พร้อมจะตั้งใครให้เป็นพวกของซาตานแล้วก็เพื่อทำให้เป็นที่โปรดปรานผอประไทยของผู้เป็นเจ้าคือทำลายข่ายตรงข่ายตรงกันคราบในนามพระผู้เป็นเจ้ากลายไป็รสงครามศักดิ์สิทธิ์เลวก็มันกันใหญ่ก็เป็นความคิดที่แปลกแต่ว่าคนก็เชื่อ เพราะไรเพราะมันตอบสนองกิเลสการมเซนามาเนี่ยเซนามาเนี่ ย, าา เ, ยเขารู้สึกว่าเขาได้นะ่ะถ้าก็คิดอย่างนั้นปนัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นติดตามมาอย่างที่เราผู้เห็นก็มีอยู่ทุกวันเนี่ยนะมีเยเห็นทุกวันทีนี้ตรงเนี้มันบอกว่าถ้ามันอยู่อย่างที่มันอยู่เฉยๆก็ไม่มีอะไรลองสังเกตว่าการยื้อแย้งไม่ใช่ยื้อแย้งคนแล้วก็ทุกคน ยึ่ง่งสิ่งของไม่ใช่ว่าทุกส่วนทุกชิ้นยิ่งยั่งดินแดนก็ไม่ใช่ว่าทุกทุกส่วนของประเทศไม่ใช่อย่างนั้นมันเวลากําหนดหน่ายินดีด้วยกันในวัตถุเดียวกันในที่ดินแปลงเดียวกันในคนคนเดียวกันในสิ่งเดียวกันก็มีความปรารถนามีความรักใคร่มีความพอใจในสิ่งเดียดนั้นแล้วต้องการที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของครอบครองสิ่งเดียดนั้น พอมาถึงจุดนี้มันจะเป็นปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าใจยินดีแล้วไม่ต้องการให้คนอื่นยินดีด้วยแต่คนอื่นยินดีเฉยๆไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแต่ลองสังเกตนะถึงจุดหนึ่งเนี่ย<ม>คนอื่นยินดีด้วยก็ไม่ได้นะเช่นสมมติว่านายกมีคนรักอยู่ที่นายกหลงใหว่าสวยมากนี่เพื่อนมองก็โกรธนะแล้วคนกองเราไปมองคนอื่นเราก็โกรธ นั้นแสดงเห็นว่าความยินดีเนี่ยแกพร้อมจะยินได้อ่ะแกพร้อมจะโกรธพร้อมจะเกลียดฝ่ายตรงกันข้ามมันก็คงทําได้ในแง่ที่มาเสริมความยินดีแกครับคือคอยชื่นชมยินดีกับเขาที่ได้ในผัวดีได้มียดีได้มีฐานะมั่งคั่งร่ารวยเออถ้าอย่างนั้นมันเป็นมุติตาอ่าคนที่ มีความพอใจมีความยินดีเขาก็าชอบใจมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่าไปให้ความยินดีแก่เขาแล้วรู้สึกชื่นชมที่เขาได้แต่ว่าการมองโดยความชื่นชมเนี่ยเขากลัวเขาจะเสียก็เลยโกรดโดยการหวาดระแวงที่จึงเป็นกระบวนการทางจิตที่น่าศึกษานะแล้วพวกนี้เวลาฝรั่งก็ไปทาเนี่ยทำเป็นหนังสือเล่มบเลมบเบล่มเบลเล เมืก่อนก็ไปทำรายการโทรทัศน์กับด ok ็กเตอร์อะไรเรียกว่าปนะิยมโนธรรมเนี่ยพันลบหรือวันลบเนี่ยก็พูดละเอียดเยอะพูดยาวพูดมากพูดเยอะเลยหมดเราฟังแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะฮะคือไปนับชิ้นส่วนเยอะๆๆๆไปแต่นั้นเองก็บอกว่นี่คือเป็นความคิดของขหลังแต่แกดีอย่างหนึ่งว่า แกใช้พุทธนี่แปดสิกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะแกใช้หลักของพุทธแต่เวลาอธิบายก็อธิบายเป็นหลักพุทธหรือแม่อธิบายตามหลักของฝรั่งที่แกได้ศึกษาเราเรียนมาอะไรเพราะว่าอาการเหล่าเนี้ว่าจริงจริ ง, รงมันก็สืบเนื่องมาจากจุดตัวเนี้ยตัวเล็กๆเนี่ยความยินดีก็พร้อมที่จะเกิดความยินได้แต่ในความยินดีนั้นเองมันก็เป็นอาการส่วนหนึ่งของกิเลสการม กิเลสที่เป็นเหตุแใทใ้คล้าทั้งสองอย่างจึงเป็นมารเสนาคือเสนาของมารหรือว่าลูกน้องของมารก็มีการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันความยินดีนั้นเป็นอาการกิเลสกรรมนั้นเป็นตัวเหตุได้เกิดอาการให้เกิดการความยินดีเหล่านั้นเพราะงั้นสิ่งทั้งหลายเนี่ยถ้าเราไม่มีกิเลสกรรมแม้คนทั้งหลายจะยินดีเราก็ไม่ยินดี สิ่งทั้งหลายที่คนก็ยินได้เราก็ไม่ยินได้นะแต่ได้คํายินดียินได้เนี่ยจึงเป็นความต่อนเนื่องในตอนสังเกตว่าสมมติว่าคนมายกย่องสรรเสริญเราด้วยภาษาที่เราไม่รู้ว่าหมายความว่ายังไงเราไม่มีความยินดีเอาแหละเข้ามาด่าด้วยภาษาที่เราฟังไม่ออกเราก็ไม่ยินได้ เพั้นเราก็ต้องมีเชื้ออยู่มีเชื้อการรับรู้ว่าคําเนี้เป็นคําด่าคําเนี้เป็นคําชมเฉยโดยจึงจะเกิดความยินดียินได้เพร า, ายินดียินได้มันก็เป็นอาการที่สืบเนื่องมาจากจิตที่เก็บคุณคุณภาพหรือคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็แสดงความรู้สึกแสดงปฏิกิริยาออกมาก็ส่วนใหญ่ก็ในถังลบไปนะ เพราะอะไรเพราะว่าเป็นอาการของกิเลสประเสริฐอามาเหล่านี้ลองสังเกตว่ามันก็คุกคามบิดเบือนทำลายล้างเราอย่างต่อเนื่องจนบางครั้งบางคราวเนี่ยพอทนไม่ค่อยได้พอทนไม่ค่อยได้นะถ้าส่วนตัวเองมันก็ ยินดีพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วเกิดไม่ได้ตามตัว ย, ยินดี่บาง ก, กันก็ขัดรูปในตัวกังวลทีนี้ถ้าหากว่าคนมาขัดขวางมาเป็นอุปสรรคก็โกรธในตัวคนแล้วก็สับสนในท้านความคิดอย่างนี้ดังนั้นคนเราส่วนใหญ่เนี่ยพยาบาลจึงไม่ออกโรงเองนะแม้แต่เสียนามานเล่นงานเอาก็ย่ำแย่ไปตามๆกันนะสภาพเศรษฐกิจสภาพสั ง, สงคมสภาพทางอารมณ์สภาพต่างกิตวิ ญ, ญ, ญาณของคนในปัจจุบันนี แล้วก็ทุกส่วนของโลกนะฮะที่จริงก็ไม่ใช่เฉพาะปัจจุ บ, บนันเมื่อไรก็เหมือนนั้นนะส่วนมากนี่อยู่ในอำนาจของพวกเซนนาาน์โดยเฉพาะอย่างคือกลุ่มกิเลสกับกลุ่มของของทุกหรือกลุ่มของสมุทัยกับกลุ่มของทุกนั่นเองเต้มฟังเท่าไหร่ แต่หลวงประพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเรเิญงอกงามเผยบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทุกกันสวัสดี